อยากย้อนเวลากลับไปอีกครั้งหนึ่งฉันขอแค่เธอคนนั้นได้ไหมหากย้อนเวลากลับคืนด้วยหัวใจฉันพร้อมให้เธอคนนี้ ในวันนั้นให้มันผ่านไปช้าๆในฝันโปรดย้อนเวลากลับมามาหาฉันแล้วฉันจะพาเธอไปด้วยกันอยากกลับไปอีกครั้ง ฉันและเธอข้างกายต่อให้ใจสลายถึงตายแต่สุดท้ายมีเธอ ครั้งหนึ่งให้ฉันมีเธอคนนี้ที่รักอกลับไปอีกครั้งเพราะมานมีเพียงฉันและเธอ ย้อนเวลากลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ฉันมีเธอคนนี้ที่รักโปรดย้อนเวลากลับไปให้ถึงวันที่ฉันมีเธอข้างกายรักเธอ